วัดที่สมควรแก่สมาธิภาวนาห้าประเภทก็แลวัดได้ประกอบด้วยองคุณห้าประการเช่นไม่ไกลไม่ใกล้นักแต่โครจรคามเป็นต้นวัดเช่นนี้จะเป็นวัดที่สมควรแก่ภาวนาสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเสนาสนะที่ประกอบด้วยองคุณห้าประการเป็นอย่างไร อย่างนี้คือหนึ่งภิกษุทั้งหลายเสยนาสนะในศาสนานี้ย่อมเป็นสถานที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักแต่โคจรักามมีทางไปทางมาสะดวกสบายปลอดภัย 2. กลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืเนเงียบสงัดไม่มีเสียงอึกระทึกครึกโครม 3. ไม่มีเหลือบยุง และสัตว์เลื้อยกบกัดไม่มีสัมผัสอันเกิดต่ลมและแดดรบกวน 4. และผู้ที่อยู่ในเสนาสนะนั้นไม่มีความฝืดเคืองด้วยปัจจัยสี่คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและยาแก้ไขห้ 5. และในเสนาสนะนั้นมีภิกษุชั้นเถระผู้หูสูตรสำเร็จการศึกษาปริยติธรรม ทรงธรรมทรงวินัยและทรงมาติกาคือหัวข้อแห่งธรรมวินัยที่เข้าไปเรียนสอบสวนทวนถามตามการันควรว่าท่านขอรับบทนี้เป็นไฉนมีอัธยาธิบายอย่างไรฉันนี้แล้วท่านเทระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยย่อมทำให้ตื้นข้อที่ยังไม่ได้ทำให้ตื้นและช่วยบรรเทาความสงสัยเป็นอเนกประการ ภิกษุทั้งหลายเสยนาสนะยายอมประกอบด้วยองคุณห้าประการชนนี้แหละอธิบายพิสดารในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าพึงออกจากวัดอันไม่สมควรแก่สมาธิภาวนาไปอยู่ณที่วัดอันสมควรยุติลงเพียงเท่านี้ตัดเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆ ในหัวข้อสังเกตว่าพึงทำการตัดเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆเิ่นนั้นมีอาธิบายว่าอัญโยคีบุคคลผู้อยู่ในวัดอันสมควรแก่ภาวนาอย่างนี้แล้วเมื่อมีเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆแม้ชนิดใดอยู่ก็พึงตัดเครื่องกังวลแม้ชนิดนั้นเสียก่อนทำอย่างไรทำอย่างนี้คือผมเล็บและขนที่ยาว พึงโกนหรือตัดเสียให้เรียบร้อยจีวรที่เก่าชำรุดก็พึงทำให้มั่นคงด้วยการปะหรือดามเป็นต้นหรือพึงชุนหรือถักเสียให้เรียบร้อยถ้าที่บาดเป็นสนิมก็พึงระบวมบาดให้มีสีพึงชำระปัดกวาดเตียงและตังให้สะอาดอธิบายพิสดารในหัวข้อสังเขตว่าพึงทำการตัดเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆ ยุติลงเพียงเท่านี้ภาวนาวิธีบัดนี้จะอาธิบายโดยพิสดารในหัวข้อสังเขปที่ว่าพึงภาวนาไม่ทำภาวนาวิธีทุกอย่างให้บุกพร่องฉะนี้ด้วยอำนาจกรรมฐานหมดทั้งส0สิบประการไปโดยลำดับโดยจะแสดงปัทวีกสินเป็นประการแรกดังต่อไปนี้ ภาวนาปัทวีกสินก็แลภิกษุผู้โยคีบุคคลเมื่อตัดเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆดังนี้แล้วเวลาภายหลังอาหารกลับจากบินทบาทบรรเทาความมึนเมาอันมีอาหารเป็นเหตุแล้วพึงไปนั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงนักโอกาสอันสงัดแต่นั้นพึงกำหนดเอานิมิตกสินในดินที่ทำขึ้น หรือที่เป็นเองตามปกติต่อไปข้อนี้สมดังที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าคําของท่านโบราณอาจารย์โยคีบุคคลเมื่อจะถือเอาปัทวีกสินโดยอุกหานิมิตนั้นย่อมถือเอานิมิตในวงกลมแห่งดินที่สร้างขึ้นหรือที่เป็นเองตามปกติชนิดที่มีกำหนดไม่ใช่ไม่มีกำหนด ชนิดที่มีที่สุดไม่ใช่ไม่มีที่สุดชนิดที่มีสันฐานกลมไม่ใช่ที่ไม่กลมชนิดที่มีขอบเขตไม่ใช่ไม่มีขอบเขตโตเท่ากระดง้งหรือเท่าปากคันโอโยคีบุคคล น, นั้นย่อมภาวนาทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาดีแล้วย่อมส่งไว้ซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นอันทรงไว้ดีแล้วและย่อมกาหนดนิมิตนั้น ให้เป็นอันกาหนดดีแล้วครั้นเธอภาวนารมนิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาดีแล้วทำการทรงไว้ให้เป็นอันทรงไว้ดีแล้วทำการกาหนดให้เป็นอันกาหนดดีแล้วก็จะเห็นอนิสงมีความสำคัญเห็นเป็นรัตนะนอบน้อมเคารพคารวะกระยิมอิ่มใจน้อมจิตเข้าไปผูกติดไว้ในอารมณ์ที่ตนถือเอาดีแล้วทรงไวดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้วนั้นด้วยความมั่นใจว่าเราจะรอดพ้นจากชราทุกข์มรณะทุกข์ด้วยปฏิปทาอันนี้อย่างแน่นอนเธอบรรลุแล้วซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดเพราะสงัดแน่นอนแล้วจากการมทั้งหลายเพราะสงัดแน่นอนแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายฉะนี้แหล เจริญปัตวีกสินที่เป็นเองในคำของท่านโบราณอาจารย์นั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้อัญโยคีบุคคลใดเคยบวชในศาสนาหรือเคยบวชเป็นฤาษีแล้วทมฌานสี่และฌานห้าในปัตวีกสินให้บังเกิดมาแล้วแม้ในพบปางอดีต โยคียบุคคลผู้มีบุญถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเห็นปานนี้นั้นอุคหานิมิตย่อมเกิดขึ้นได้ในดินที่เป็นอยู่เองตามปกติคือในดินที่เขาไถาไว้หรือในลานข้าวเหมือนพระมลกะเทระเป็นตัวอย่างได้ยินว่าท่านพระมลกะเทระนั้นขณะที่ท่านเพ่งดูที่ดินที่เขาไถาไว้อุคหานิมิตประมาณเท่าที่ซึ่งเขาไถาไว้ นั้นนั่นเที่ยวได้เกิดขึ้นแล้วท่านเจริญอุกหานิมิตจนได้บรรลุฌานห้าแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันมีฌานนั้นเป็นประทัดฐานจนได้บรรลุพระอรหัสตแลวิธีทมปัทวีกสินที่ต้องสร้างขึ้นส่วนโยคีบุคคลใด ผู้ไม่ได้ทําบุญญาธิการไว้เหมือนอย่างที่กล่าวนั้นเธอต้องสร้างปัทวีกสินขึ้นเองอย่างที่ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากกรรมวิธีที่เรียนมาในสํานักของพระอาจารย์และให้เลี่ยงเสซจจากโทษของกสินสีประการจริงอยู่โทษของปัทวีกสินมีอยู่สีประการโดยอํานาจทําปะาปนกับสีเขียวหนึ่งสีเหลืองหนึ่งสีแดงหนึ่งสีขาวหนึ่ง เพราะฉะนั้นโยคียบุคคลอย่าได้เอาดินมีสีเขียวเป็นต้นมาทํากรสินจงทําด้วยดินที่มีสีเหมือนแสงอรุณเช่นดินที่แม่น้ําคงคาในที่นี้หมายเอาแม่น้ําคงคาในประเทศลังกาไม่ใช่แม่น้ําคงคาในประเทศอินเดียในยะว่าประเทศลังกานั้นก็มีแม่น้ําสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ําโรชนะคงคา แต่ในที่นี้ท่านเรียกย่อว่าคงคาก็และะ้วกสินนั้นอย่าทำไว้ณตรงกลางวัดหรือณที่ที่ภิกษุสามเณรสัญจรไปมาพึงทำไว้ตรงที่เป็นเพิงหรือบรรณาศาลาซึ่งเป็นที่รับอยู่ท้ายวัดจะเป็นกสินชนิดที่โยกย้ายได้หรือชนิดที่ติดอยู่กับที่ก็ได้ วิธีทาปัทวีกสินที่โยกย้ายได้วิธีทํากสินสองอย่างนั้นกสินชนิดที่โยกย้ายได้พึงเอาผืนผ้าเก่าหรือผื้นหนังหรือผื้นเสื่อลำแผนมาผูกขึงติดไม้สี่อันแล้วเอาดินที่มีสีเหมือนแสงอรุณที่เก็บรากหญ้าและกรวดทรายออกหมดแล้วขยําได้ที่แล้วมาทาเข้าที่ผืนผ้าหรือผื้นหนัง หรือเสือลำแผนนั้นทำให้เป็นสันฐานกลมประมาณเท่ากระดงหรือปากขันโอดังที่กล่าวแล้วในเวลาที่จะทำบริกรรมภาวนาพึงเอาแผ่นกระสินนั้นไปปูลงที่พื้นแล้วเพ่งดูตามภาวนาวิธีต่อไปวิธีทำปฐวีกระสินที่อยู่กับที่ กรสินชนิดที่ติดอยู่กับที่นั้นพึงเอาหลักหลายๆอันมาต่อกกับพื้นดินโดยอาการคล้ายๆกับฝักบัวแล้วเอาเครือวันมาถักร้อยตรึงเข้าไว้ถ้าดินสีเหมือนแสงอรุณ น, นั้นมีน้อยไม่เพียงพอให้เอาดินอื่นมาใส่ลงไว้ตอนล่างเสียก่อนแล้วจึงเอาดินมีสีเหมือนแสงอรุณซึ่งทำให้สะอาดแล้วมาใส่ทับข้างบน ทำให้มีสันฐานกลมขนาดกว้างหนึ่งคืบสี่นิ้วและที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวว่าประมาณเท่ากระด้งหรือประมาณเท่ากับปากขันโอนั้นท่านหมายเอาประมาณคือหนึ่งคืบสี่นิ้วนี้แหละส่วนคำมีอาธิว่าชนิดที่มีกาหนดไม่ใช่ไม่มีกาหนดนั้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าปัทวีกสินนั้น เป็นสิ่งที่มีกำหนดขอบเขตวิธีนั่งเพ่งปัทวีกสินเพราะเหตุที่ท่านแนะให้ทำกสินอย่างมีกำหนดนั้นครั้นกะกำหนดประมาณเท่าที่กล่าวคือหนึ่งคืบสีนิ้วอย่างนั้นแล้วจึงทำสีที่ไม่กลืนกับสีดินอรุณให้ปรากฏขึ้นเป็นขอบเขตไว้ด้วยเกลียงไม้ แต่นั้นจงอย่าใช้เกรียงไม้นั้นพึงใช้เกรียงหินขัดทําให้เรียบเสมอเหมือนหน้ากรองครั้นแล้วจงปัดกวาดสถานที่นั้นให้สะอาดให้ส่งน้ำชำระกายแล้วจึงกลับมานั่งบนตั้งที่ตรึงอย่างมั่นคงมีเท้าสูงหนึ่งคืบสี่นิ้วซึ่งเตรียมตั้งไว้ณนะสถานที่ภายในระยะห่างสองซอกหนึ่งคืบแต่ดวงกสิน จริงอยู่เมื่อนั่งไกลกว่านั้นกระสินก็จะไม่ปรากฏชัดเมื่อนั่งไกลกว่านั้นโทษแห่งกระสินทั้งหลายเช่นรอยฝ่ามือเป็นต้นก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อนั่งสูงกว่านั้นย่อมจะต้องน้อมคอลงคือก้มหน้าลงดูเมื่อนั่งต่ำกว่านั้นก็จะปวดเขา่าเพราะฉะนั้นพึงนั่งโดยทำนองที่กล่าวแล้วนั่นและ แล้วจงพิจารณาถึงโทษในกามทั้งหลายมีนยยะมีอาธิว่ากามทั้งหลายมีความยินดีนิดหน่อยแต่มีทุกข์มากพึงเป็นผู้มีความพอใจในเนคขมมะมีชาญเป็นต้นอันเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามอันเป็นอุบายล่วงพ้นซึ่งทุกข์ทั้งปวงพึงทำปีติและปราโมทให้บังเกิดขึ้น ด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพึงเป็นผู้มีความเคารพ อ, อย่างแม่นมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติว่าเนคขมะปฏิปทานนี้นั้นเป็นข้อปฏิบัติอันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วและพึงทําความอุตสาหะให้เกิดว่า เราจักเป็นผู้มีส่วนได้ดื่มรสความสุขอันเกิดแต่ความสงัดด้วยข้อปฏิบัติอันนี้อย่างแน่นอนแล้วพึงภาวนาลืมตาแต่พอดีจับเอานิมิตในปัทวีกะสินนั้นโดยอาการอันสม่ำเสมอเรื่อยๆไปจริงอยู่เมื่อลืมตากว้างมากไปก็จะเมื่อยตาและดวงกะสินก็จะปรากฏชัดเกินไป ด้วยเหตุนั้นอุกหานิมิตก็จะไม่เกิดขึ้นได้เมื่อลืมตาแคบไปดวงกสินก็จะไม่ปรากฏชัดละจิตก็จะห่อเหี่ยวแม้ด้วยเหตุนี้อุกหานิมิตก็จะไม่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นโยคีบุคคลจึงภาวนาลืมตาแต่พอดีจับเอานิมิตในปัททวีกสินนั้นโดยอาการอันสม่ำเสมอ เหมือนดูเงาหน้าในบานกระจกฉะนนั้นและอย่าพิจารณาถึงสีของดินอย่าเอาใจใส่ถึงลักษณะของดินเช่นความแข็งของดินเป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่จะปฏิเสธสีเสททีเดียวพึงตั้งจิตไวในคำบัญญัติว่าดินด้วยอำนาจธาตุดินเป็นสิ่งที่มากกว่าธาตุอื่นแล้วพิจารณาดินพร้อมกับสีที่อาศัยพร้อมๆกันไป และในบรรดาชื่อของดินทั้งหลายในคําบาลีเช่นปัตโวีมหีเมธนีภูมิวสุธาและวสุนทราเป็นต้นโยคีบุคคลปรารถนาชื่อใดและชื่อใดสำเร็จเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่ความจำของเธอเธอก็พึงระบุเอาชื่อนั้นหรือพระอาจารย์พึงบอกชื่อนั้นให้แก่เธออีกประการหนึ่ง ที่ชื่อว่าปัทวีนี่นั่นเทียวปรากฏเป็นที่รู้จักกันมากกว่าชื่ออื่นฉะนั้นโยคีบุคคลพึงภาวนาด้วยคำบาลีปัทวีปั ว, ปวีหรือด้วยคำไทยว่าดินดินดังนี้ด้วยอำนาจเป็นชื่อที่ปรากฏนั่นเทียวและบางครั้งพึงลืมตาดูนิมิตบางครั้ง ถึงหลับตาเสิแล้วนึกทางใจอุกขหานิมิตยังไม่เกิดขึ้นตราบใดตราบนั้นก็จงภาวนาเรื่อยๆไปโดยในยะนี้แหละจนถึงร้อยครั้งพันครั้งหรือแม้จะมากครั้งกว่านั้นขึ้นไปก็ตามได้อุกขหานิมิต เมื่อโยคยีบุคคลภาวนาอยู่อย่างนั้นการได้หลับตานึกทางใจนิมิตในปฐวีกะสินนั้นมาสู่คลองจักสุคือเข้าถึงความเป็นอารมณ์ของมโนทวาริกาชวนะจิตการนั้นยอมได้ชื่อว่าอกคหนิมิตเกิดแล้วนับแต่เวลาอุกคหนิมิตเกิดแล้วไปโยคยีบุคคลไม่ต้องนั่งภาวนาอยู่ณที่ดวงกสินนั่นอีก พึงกลับเข้าสู่ที่อยู่ของตนแล้วนั่งภาวนาอยู่ณที่นั้นเถิดอันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ชักช้าเสียเวลาในเพราะอันที่จะต้องล้างเท้าโยคีบุคคลจำต้องมีรองเท้าชนิดชั้นเดียวกับไม้เท้าด้วยเพื่อว่าถ้าสมาธิที่ยังอ่อนจะเสื่อมหายไปด้วยเหตุอันไม่เป็นที่สบายบางอย่างแล้วโยคีบุคคลจะได้สวมรองเท้า ขือไม่เท้าไปอย่างที่เดิมนั้นนั่งเพลงกะสินจนได้อุคหานิมิตอีกจึงกลับมาอยู่ที่ของตนนั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงภาวนาเรื่อยๆไปสำหรับคำว่าเข้าถึงความเป็นอารมณ์ของมโนทวาริกาชวนาจิตหมายความว่าการเห็นนิมิตนั้นไม่ได้อาศัยจากขุทวานเหมือนตาแรก นิมิตนั้นเกิดขึ้นทางมนวทวานโดยตรงเมื่อจิตทำหน้าที่ไปถึงขณะชาวนะจิตแล้วจิตก็เห็นนิมิตนั้นด้วยจิตนิมิตที่เห็นด้วยจิตนี้และเรียกว่าอุคหะนิมิต